5.1 พรปีใหม่จากหลวงพ่อวงเล็บเปิด1มกราคม2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที45วงเล็บปิดปีใหม่นี้ก็รู้สึกตัวเอาไว้นะโยมทั้งหลายหลวงพ่อไม่รู้จะให้พร อ, อะไรเพราะพรทั้งหลายเป็นเรื่องหลอกลวงอยากได้พรก็ต้องทำเอาเองไม่มีศีลก็มีศีล น, นะไม่มีทานก็มีทานหัดดูกายหัดดูใจของเราไปแล้วเราจะได้รับพร อ, อันวิเศษที่สุดจากธรรมชาติเลย ถ้าเรารู้กายรู้ใจจนถึงจุดหนึ่งนะมันจะมีสติขึ้นมาพอมีสติก็มีความสุขเราก็มีสติมากเข้ามากเข้านะจิตใจเราตั้งมั่นสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกนะเรามีความสุขเราก็ตั้งมั่นรู้โลกไปตามความเป็นจริงจิตเกิดปัญญาเข้าใจความเป็นจริงของโลกนะจิตปล่อยวางโลกได้นะนี่มีความสุขที่สุดเลยงานทางาศาสนาพุทธนี่สิ้นสุดตรงที่เราปล่อยวางความทุกข์ลงไปได้หมดนั่นเอง งานทางโลกไม่มีวันสิ้นสุดแต่งานทางธรรมมีวันสิ้นสุดนะ